ท่านผ่อที่ครบคะเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมมนาสนท น, นานะคะซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันสัมม น, นาณ์พรค่ะต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาฟังการตอบคำถามที่ท่านทั้งหลายได้ส่งกันมาทั้งที่ส่งทางเว็บไซต์นะคะ piutama.com/106 ตลอดจนกรบทั่งอาจจะเป็นประเด็นคำถามที่มาจากภายนอกด้วยคะ่ะตอนนี้เราก็จะมา นมัสการพระอาจารย์ภัยบุ์อภิปุโนซึ่งจะมาเป็นผู้ที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจะนะกันก่อนคะ่ะนมัสการคะ่ะท่านคะใช่อาจารย์พรค่ะวันนี้คำถามของท่านนี่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับความรักค่ะท่านคะ <c oughs> <c oughs> คนถามชื่อคุณกำมนมคุณกมนถามมาว่าประโยคที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกที่ใดมี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 หน้าตานีิบูดเบี้ยวเลยพรชรูชาบอเอา้าวทำไมหน้าตาบูดเบี้ยวไปขนาดนั้นหน้าตาเศร้าว่างั้นเถอะเขาก็บอกว่าจะไม่ให้บูดเบี้ยวไม่ให้เศร้าได้ไงก็ลูกที่ลูกน้อยที่น่ารักหน้าอินดูคนเดียวเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็ทุกวันก็เอาแต่ไปที่เผาศพลูกด้วยแล้วก็ร่ําใคร่ร่ําครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนเงี้ยนะพระรชาก็บอกว่าอา้าวนี่แหละความความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรัก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 ครับนคขอดิฉันรีบโน้ตโดยเร็วเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศย่อมเอ้ยความโศย่อมไม่มีใช่แลนยังไงนะคะท่านแล้วความกลัวจะมีมาแต่ไหนเล่าระหว่างนี้ท่านผู้ฟังก็คิดใครครวนไปนะคะดิฉันกำลังชดโน้ตอยู่ค่ะพอบอกขาราชีคนนี้ไปเนี่ยขาราชีคนนี้ก็ไม่ยอมรับคำคัดค้านของพระรุทธเจ้านะเขาบอกว่าขาราชกคนนี้ก็บอกว่าอ้า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 อโศกค ว, ความสนุกสนานเพลิดเพลินพอใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิ ด, เ, ด, เ, ด, เ, ด, เ, ดเขาก็พอใจว่าโอ้ยมีความเห็นตรงกันละแล้วลก็เดินจากไปอหมายความว่าหมายความว่าปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ของรักเนี่ยแหละของที่เรารักชอบใจเนี่แหระเป็นนํามาซึ่งความทุกข์ะจะไม่เข้าใจนะพวกที่เข้าใจก็คือพวกที่ได้ฟังธทำปฏิบัติธรรม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 ท่ำให้<ะ>ขําครวนก็ไดนะ้คนที่ทุบอกชกตัวงุนงงหลงไหลนี่ก็เพราะว่ากลัวเพราะฉะนั้นกลัวที่จะพลัดพรากจากของรักของชอบใจไปนะความกลัวตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างสมมติเราบอกว่าเราเข้าป่าเงี้ยกลัวผีคุณกลัวผีทําไมคุณกลัวผีก็เพราะว่าคุณกลัวตายจริงๆแล้วคุณยังมีความยึดถือว่าเอ้ยนี่ตัวฉันของฉันนะถ้ามีใครมาฆ่าฉันฉันตายฉันกลัวคะ่ะอ๋อหมายถึงว่า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 หไม่ไมมหมายถึงเซษหนึ่งส่วนสามของจำนวนเต็มร้อเซนก็หายไปสักสามสเอร์เซ็นต์ะนี่ก็บอกว่าเออมันก็ย่อมมีความทุกข์แต่ดูจากอาการเขาเนี่ยเขาทุกข์มากจริงๆนะ่าคะก็พยายามพูดสัรพัฒนนะคะแต่เขาก็หาทางออกไม่ได้ดิฉนันถึงว่าเดี๋ยวจะพาไปไปวัดเพ่อศึกษาปตูวิญญทีนี้ไหนๆก็หยิบยกเรื่องของเขามาแล้วถ้าอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าจะให้พึ่งพระธรรม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 โยนิโสมนัิการนะคือต้องคุณต้องพิจารณาตามหลักของเริยสสตนะีว่าอ๋อความปัญหาคืออะไรเหตุเกิดของปัญหาคืออะไรทางออกมีไหมน ะ, ะความดับไม่เหลือของปัญหามีไหมแล้วทางแก้คืออะไรวิธีการทำถ้าเราพิจารณาอย่างเงี้ยถ้าคุณเพื่อนคุณยมติ๋วเนี่ยรุ่นน้องคุณยมติ๋วพิจารณาอย่างนี้นะถึงความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เขาจะแก้ปัญหาของเขาเองได้แ ต, แต่เพราะเขา ไ, ไปยิดในอดีตอ น, นาคตไง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 พุทสวัสดีค่ะ